การการคลองเรือนพุทธเจ้าพูดถึงในเรื่องของการใช้โภกศับเอามาจะเอามาจะไปแบบเร็วๆนะตรงเนี้ยคือประโยชน์ที่เกิดจากการมีรั์เพราะจริงๆต่อไปอยู่ในส่วนของจารีศีลพระเอิญเชื่อมโยงกันตรงเนี้ยใช้เลี้ยงตัวเลี้ยงบีดามาดาบุตรภรรยาบ่าวไผ่เป็นคุสุขนิข้อแรกพุทธเจ้าสอน สก็คือบำรุงมิตรสหายร่วมกิจการมให้เป็นสุขสมก็คือใช้ป้องกันอันตรายนีต่างๆเนี้ยนนก็คือรักษาทรัพย์ให้ดีเมื่อได้ทรัพย์มาแล้วก็หาหลักประกันเขาไว้อันนี้คือต้องทําอยู่แล้วเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ ย, ยสี่ก็พรีกรรมก็คือส่งข้อญาติต้อนรับแขกทําบุญอุทิศให้ผู้ร่วงลับบำรุงราชกอการหรือว่าอุทิศให้กเทวดาที่ต้สกาลาทั้งหลายระการที่5อุปถัมภ์สมณะผู้พูดดีปฏิบัติชอบ ผู้ครองเรือนเมื่อมีกินมีใช้ถ้าถือหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในภาษิตบอกว่าเมื่อมีน้อยก็ให้ตามน้อยเมื่อมีปานกลางก็ให้ปันกลางมีมีมากก็ให้มากเห็นไหมให้สังเกตด้วนะว่ามีน้อยให้น้อยมีปันกลางก็ให้ปันกลางถ้ามีมากก็ให้มากการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควร การไม่ให้เลยเนี่ยย่อมไม่สมควรนะพระเจ้าบอกแน่ท่านโกศิยะเศรษฐีเราขอกล่าวกับท่านว่าจงให้ปันและจงกินจงใช้จงขึ้นสู่มรรคาแห่งอริยะชนเถือ่อก็แปลว่าพระอริยะเนี่ยท่านเดินทางนี้ท่านเดินทางว่ามีน้อยให้น้อยมีปันกลางให้ปันกลางมีมากให้มากเนี่ยแล้วก็กินก็ใช้นั่นแหละกินก็ใช้ให้เป็นก็ให้มีความสุขนั่นแหละ แต่ในขณะเดียวกันก็คือจงพัฒนาเนีพัฒนาเนี่ยวิถีชีวิตจากบุรุชนเนี่ยเข้าสู่ความเป็นอริยชนเข้าสู่เส้นทางของมารคาเส้นทางของพระอริยะนะเพื่อจะพัฒนาตนเองเราบอกว่าความเป็นบุรุชนนี่เป็นภาวะที่ไม่ปลอดภัยมันไม่ปลอดภัยมันเป็นภาวะที่อันตรายเป็นภาวะที่หวาดเสียวมันจะจมน้ําตายกันเนี่ยเนืฉะนั้นจึงไม่ควรประมาทและ เราจะก้าวสู่มัคคาเส้นทางของภริยาเนี่ยผู้กินคนเดียวไม่มีความสุขเมื่อใช้ทรัพย์นี่นะจ่ายทรัพย์บริโภคเป็นตัวเหล่านี้เป็นไปตามลําดับทีนี้การเสียสละการแบ่งปันเนี่ยวัตถุประสงค์ในเรื่องของทานเนี่ยทีนี้มาเข้าถึงในเรื่องของทานที่เราจะพูดในวันนี้ทานนี่นะหมายถึงอะไรที่เรียกว่าทานเนี่ย คำว่าทานะเนี่ยหมายถึงกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้คำว่าทานะนี่เนี่คือกุศลเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้ทีนี้แยกเป็นสองส่วนก่อนบางในชั้นของคําสอนท่านจะตั้งเจตนาทานและวัตถุทานเนี่ยตั้งเขาไว้นะที่ในชั้นของเอกสารใช้คําว่าวัตถุทานขึ้นไว้ก่อนเพื่อต้องการให้เกิดความเข้าใจว่าสิ่งของที่ควร ให้ที่เป็นไปกับการสลับยกตัวอย่างเช่นวัตถุทุกคนมีวัตถุมืใช่ไหมวัตถุสิ่งของเนี่ยมีกันทั้งนั้นที่มานั่งกันอยู่เนี้ยเราก็มีวัตถุกันมากันคนเราไม่รู้กี่ชิ้นเยอะแยะไปเร็ดเนี่ยนะอันนั้นคือตัววัตถุหมดเลยนั่นเขาเรียกวัตถุทานสิ่งของที่ควรให้สิ่งของที่ควรให้เนี่ยเขาเรียกวัตถุทาน และที่เป็นไปกับการสละนะถึงจะเรียกว่าทานยังเรียกว่าถุทานถ้าให้แบบไม่สละวัตถุนั้นไม่เรียกว่าถุทานเพราะมันไม่เป็นไปกับการสละไม่เป็นไปกับการให้มันยังมีอะไรยึดโยงอยู่ยังมีตันหาคือเชือกนะั้นมันยึดโยงอยู่มันไม่ให้จริงอาจจะเสียวัตถุไปแล้วสมมุติเราจะแลกของจะแลกของเลยนะเอาเงินไปให้เขาแล้วก็แลกเอามาเป็นของเนะี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าทาน อันนี้ไม่เรียกประธานเพราะเป็นการสละวัตถุจริงเปลี่ยนวัตถุจริงแต่วัตถุถูกเปลี่ยนไปไหมถูกเปลี่ยนแต่จิตสละไหมอันนี้ไม่เรียกว่าธานไม่เรียกว่าธานฉะนั้นทานจริงเป็นไปกับการเสียสละเช่นให้ข้าวให้น้ํายานผาน่าดอกไม้ของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่ส่บัตรทิ่อันนี้ในย่าพศุตรก่อนแล้วดูในย่าพศุตรก่อนให้สังเกตดูทําไมการให้ของก็จะแจกแจงแยกแยะหลายอย่าง อย่าลืมนะการให้เนี่ยต่อไปจะไปวิจัยให้ดูว่าโอเคเขาให้กันยังไงแล้วเขาให้แล้วเนี่ยนะก่อนถึงจะถึงตรงนี้ก่อนพูดถึงทานในกุศลก่อนถ้าภาษารีบุตรให้ทานกับพระพุทธเจ้าให้ทานนะผลของการให้ของใครจะมากกว่ากันอา้าใครมากกว่ากันให้ชิ้นเดียวกันนี่นะ ใ ห, ให้ชิ้นเดียวกันถ้าพุทธเจ้าสละหนึ่งของหนึ่งชิน้นกับภาษาริบุตรสละหนึ่งชิน้นผลของการสละในครั้งนั้นผลจะเสมอกันหรือเท่ากันแล้วผู้รับก็เท่ากันนี่นะผู้รับก็เท่ากันผู้สละคือระหว่างพุทธเจ้าสละกับภาษาริบุตรสล ะ, สละใครผลต้องทานใครมากกว่ากันวัดยังไงวัดที่ตรงไหน วัดที่องคุณของศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นวัดที่องคุณของฉันทาวิริยะจิตตะปัญญาเป็นต้นเห็นไหมตรงนี้เราจะได้เข้าใจแล้วเริ่มเข้าใจนิดๆแล้วว่าไอ้ตัวทานอกุศลจริงๆเนี่ยท่านขับขับเน้นอะไรดีขับเน้นนามธรรมาฉะนั้นตัวเจตนาทานคือเจตนาที่คิดจะให้ความตั้งใจที่จะแบ่งที่จะสละ แต่ถ้าวัตถุสิ่งของนั้นไม่ได้ประกอบไปด้วยเจตนาที่คิดจะสละก็ไม่เรียกวัตถุทานและก็กลายเป็นวัตถุกรางไปใช่ไหมเป็นวัตถุกรามเป็นของที่ควรเป็นเป็นวัตถุที่น่ายินดีน่าใคร่หน้าเพลิดเพลินไปน่าใคร่น้าเพลิดเพลิ น, ใ น, นในว จ, จนะถ า, าท่านใช้คําวิทยติเอเตนาติเนี่ยทานังเนี่ยชนทั้งหลายพึงให้ด้วยเจตนานี้ฉะนั้นเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้ เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการให้ชื่อยทานตามวาจนะฐานเนี่ยเป็นตัวเจตนาที่เป็นเหตุเป็นเหตุแห่งการให้ทานให้สําเร็จลงไอ้ตัวเจตนาเนี่ยแหละถ้าพูดถึงเจตนาเนี่ยเขพูดในฐานะเป็นลักขณะในในยะที่ยังต้องไปพาดพิงสภาวธรรมอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะในนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเวทนาด้วยที่อยู่ในเจตนานั้นต้องเกี่ยวข้องกับสัญญาด้วย ต้องเกี่ยวข้องกับสังขารลขันและวิญญาณขันใช่ไหมไม่ใช่กล่าวถึงเจตนาตัวเดียวแต่กล่าวถึงนมาททงมธรรมทั้งหมดที่เกิดร่วมกันกับเจตนานั้นแ ต, เเตนาาเนน่เอาเจตนามาเป็นประธานไปเอาเจตนามาเป็นประธานไปพอจะมองเห็นได้อยังว่าจิตที่คิดจะให้ต่างๆเอาเจตนามากล่าวจริงอยู่แต่เจตนานั้นเป็นธรรมชาติที่กระตุ้นเตือนชักนําสำมุยุท ธ, ธรรมที่เกิดพร้อมกันกระตนให้ทํากิจ ให้ทํากิจอะไรดีตอนนั้นเจตนาก็ต้องไปขับเน้นให้ศรัทธามาทํากิจไหมวิริยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นทําอะโลภะให้เด่นขึ้นทําอะโทสะให้เด่นขึ้นทําปัญญาให้เด่นขึ้นเป็นต้นส่วนวัจนธ า, าที่สองชื่ว่าทียติเอเตนาติทานังอะชนทั้งหลายพึงให้ด้วยเจตนาเหตุนั้นเจตนาเพตยรถึงการให้ชื่อว่าธรรเนี่ยอันนี้หมายถึงตัวเจตนาไปส่วนธาตัุพันติทานังนี้เป็นสิ่งของแล้ว สิ่งของอันใดที่ชนทั้งหลายพึงของที่พึงให้นีวัตถุนี้กล่าวถึงฐานนะว่าการให้เพราะประจวบเพียรคือมีผู้มาผู้รับมาถึงการให้เพราะกลัวออมีไหมการให้เพราะกลัวเนี่ยให้เพราะนึกว่าเขาเคยให้แก่เราให้เพราะคิดว่าเราจะให้แกเขาเนี่ยนะ เ, เพราะเพราะเขาจะให้แก่เราก็ให้ ให้เพระคิดว่าการให้เป็นการดีหก็คือให้เพราะเราหากินเองได้คนเหล่าอื่นหุงหากินเองไม่ได้เมื่อเรายังหุงหากินเองได้ไม่ควรเลยที่จะให้กับบคุคคลนี้นี่เขาเจก็คือให้เพราะว่าเมื่อเราให้แล้วเกียรติศัพท์อันงามของเราก็จะก็พงกจอนไปอันนี้ส่วนประเด็นต่อมาท่านขับเน้นเรื่องอลังการละก็คือปรุงแต่งจิต อันนี้ส่งเสริมและเพื่อจะพัฒนาความคิดต่างๆเหล่านั้นให้เด่นขึ้นฝึกฝนก็คือทำจิตของตนเองนั้นให้อ่อนโยนแล้วก็ฝึกให้ให้เสียสลัดสรุป ก, ก็คือว่า 1-7 ถึงอันนี้เป็นเมื่อกุศลวิบากชนิดนี้ส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาให้เกิดมนุษย์เป็นเทวดาแต่การถึงนิพพาน ไม่เร็วถึงใช้คำนี้นึงแต่ว่ากรณีงั้นเป็นการให้ของบุถุชนและเศขาบุคคลนะส่วนในข้อที่8ปดแต่เป็นกุศลนิบาชนิดที่ส่งผลให้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดานะแล้วก็เป็นปัจจัยถึงมรรคนิพพานได้เร็วเนี่ยถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นจะเห็นในเรื่องของทานนี่นะว่าในลักษณะของการให้เนี่ยถ้ามองในชั้นของทานในกุศลท่านแยกและท่านแยกของในส่วนของอมิตสทานกับ ไอ้ที่เป็นวัตถุทานกับธรรมทานถ้ามิสทานก็คือการให้วัตถุสิ่งของธรรมทานคือการให้ธรรมะเป็นทานให้ความรู้ให้ข้อมูลให้ธรรมะต่างๆอมิสทานกับธรรมทานก็คือว่าเฉดปัจจัยก็ ต, ต่างกันถ้าเป็นธรรมทานก็ประเสริฐกว่าเนี่ยนะอันนั้นในรายละเอียดก็ขยายไว้ประการต่อมาเนี่ยให้สังเกต ด, ดูวิธีท่านท่านจัดลาดับทานก็ไว้ก็คือว่า สัมปชาน а ทานกับอสัมปชานาทานการทําบุญที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจซึ่งเราจะขับเน้นกันในวันนี้เนอะนะกับการทําบุญหรือการให้ทานเป็นต้นที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจนะั้นประการหนึ่งและอย่างหนึ่งท่านก็มาแยกเป็นวัตฏนิสิตาทานกับวิวัฏฏนิสิกาตาวัฏนิสิตาทา น, น, ทานถ้าวัตฏนิสิตาทานการให้ทานการทําบุญเนี่ยนะที่ปรารถนาโภคสมบัติ ปรารถนาเป็นเศรษฐีม้าเศรษฐีเพราะว่าสมบัติการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือสูงไปกว่า น, นั้นก็เพื่อเป็นปัจจัยเก่การเป็นพมเป็นต้นนี้ก็ว่าไปอันนี้ก็าเรียกว่าเป็นไปเพื่อวะตะัตถะซึ่งหลายท่านก็ปรารถนากัานอยู่นะไอ้เรื่องแบบเนี้คือปรารถนาการยังต้องการอยู่ในวัตะทุกมันยอมเล่าอีกฟั ง, งบอกว่าบอกว่านิพานไม่เอาไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างเงี้ยลักษณะนี้เป็นวะตะัตตนิสตฐาน หรือวัตตนิสตศีลวัตตนิสตภาวนาใช่ไหมทางศีนภาวนาเป็นไปเพื่อวัตถะถ้าอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นเยอะแยะไปหมดเดินออกจากตึกนี่ไปลองไปถามใช่ไหมอยากไปนิพพานไหมก็สั่นว่าไปแถวก็ไม่ไปพอเผลอนั่งอย่างนี้สะกิดข้างๆไปนิพพานไมก็ไม่ไปใช่ไหมกลัวอะไรบางคนกลัวนิพพานทั้งๆที่กลัวสิ่งที่ได้ยากที่สุดที่ขนาดปรารถนา ย, ยังไม่ก็อยากจะได้ ฉันปรารถ น, นาไปเถอะปรารถนาไปเถอะเพราะทั้งๆ ท, ท, ที่ปรารถนาก็ไม่ใช่ได้ง่ายๆเยอะไหมไม่ใช่เรื่องได้ง่ายๆนะโอ้โหจะปรารถนาได้ง่ายๆมาต้งไปก่อนแล้วเพราะหมาปรารถนาเยอะเยอะไหมอันนี้สแสดงว่ามันไม่ใช่ได้ง่ายๆมันจะต้องมันจะต้องสร้างเหตุปจัจจัยค่อนข้างเยอะวิวัตตานิสิตาทางการทําบุญที่ไม่มีความปรารถนาเพราคาสมบัติเพราะสมบัติอันนี้ปรารถนานู่นเลย ปจเจกโพธิญาสัมมาสัมโพธิญาณปจเจกโพธิญาอค拉โพธิญามหาสาวกโพธิญาณปกติสาวกโพธิญาอย่างใดอย่างหนึ่งว่ากันไปเลยท่าที่นั่งอยู่เนี้ยใครปราถนาสงสุดยกมือขึ้นดิไม่มีเลยโอสงสุดเลยเนี่ยอุ้ยตาหวาดเสียวเลยจริงป่าสงสุดเลยนะออนิพานนึกว่าสัมมาสัมโพธิญาโอมานึกไปถึงสัมมาสัมโพธิญาหนึ่ง ปรารถนานิพพานแล้วสร้างเหตุถูกหรือเปล่านะปรารถนาแล้วต้องสร้างเหตุให้ถูกด้วยนะถ้าหมวดสามท่านจัดเป็นฮีนาทานมัชชิมาทานแล้วก็ปณนิทานปณีตาทานนี่นะการให้ทานชั้นต่ําก็ที่ปรารถนาราบยศสุขสารเสริญถ้ามัชชิมาก็ปรารถนาสวรรคสมบัติเทวาสมบัติหรือมนุษย์ด้วยนะปณีตาทานก็กปรารถนาความเป็นพระรยาเจ้านะ ปรารถนาพระนิพพานในยะหนึ่งนะบางในยะท่านก็กล่าวถึงหีนาทานที่ปรารถนามนุษย์กเทวสมบัติมัชิมาทานก็ปรารถนาสาวกและก็ปัจเจกับโคกะโพธิถ้ปณิจตทานก็ปรารถนาสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้แยกแยะออกไปไปตามลําดับคือคือในลักษณะการปรารถนาชั้นกลางชั้นต่ําชั้นสูงหลายในยะส่วนในยะสุดท้ายหีนาทานท่านเอา ทานกุศลที่เป็นไปกับฉันทะวิริยะจิตตะปัญญาระดับต่ำมัชฌิ ม, ามทานน่ทานกุศลที่เป็นไปกับฉันทะวิริยะจิตตะปัญญาระดับกลางมัชฌิ ม, ามทานนะถ้าปณีตาทานก็คือการให้ทานที่ประกอบไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะปัญญาระดับปณิสจนในรายละเอียดไปว่ากันทีนี้ไปพูดถึงว่าระหว่างตัววัตถุ กับตัวเจตนาที่คิดจะให้อะไรสําคัญกว่ากันเมื่อกี้ตั้งว่าอะไรสําคัญกว่ากันนะงั้นก็ไม่ต้องใช้วัตถุใช้เจตนาอย่างเดียวได้ไห ม, ไมไต้องมีวัตถุใช่ไหมถ้าอย่างงั้นโฮสบายแล้วไม่ต้องสะละแล้วเอาคุณทาไปอาซาทุเอามาก็ไปถามนะเอกอคือ คือปกติเนี่ยคนไทยชอบสาธุก็ดีนะเรื่องสาธุเป็นเรื่องดีๆอ้าวทุกคนบนมมือขึ้นอีกคนหนึ่งก็ให้ให้ให้ทีละอย่างอาสาธุสาธุสาธุกันอยู่เรื่อยๆอางี้นะอมาก็เลยมาถามพิยอมไปอธิบายฟังสาธุเรื่อยๆมีคิดอะไรยองก็บอกไม่คิดอะไรเราสาธุไปเข้าก็เลยเนี่ยเป็นอย่างนี้นะไม่ได้คิดอะไรหรอกสาธุไปเรื่อยๆอย่างนีะสาธุสาธุสาธุสาธุไป อันนี้ต่อไปวันนี้เราจะสาธุแบบไม่เรื่อยๆนะเพราะฟังวันนี้แล้วจะจะสาธุแบบมีข้อมูลและแบบมีความเข้าใจนะตามพระวินัยปีดอกมีสอย่างใช่ไ้ยให้เครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอันบุคคลที่ได้ถวายที่ควรบวูชาเช่นถวายแด่พระเจ้าพระสงฆ์หรือบิดามารดาเป็นต้นเหล่านี้นะ เครื่องบูชาสักการะทั้งหลายเนี่ยถวายเดียพระสถูปพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์เราก็ตามนิย่าพระสูตรเราก็เคยเอาไปทํากันเนี่ยให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยาแล้วก็อาหารตามนิย่าของพระสูตรก็ให้ข้าวให้น้ําให้ที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มดอกไม้ยานพานะเครื่องรูปไล่ของหอมที่นอนและเครื่องให้แสงสว่างสิบอย่าง ในสิบอย่างนี้นะในสิบอย่างนี้แต่ละท่านบางท่านเอาอะไรเป็นประธานก็ตั้งกันให้เป็นนะเวลาจะให้นะตัววัตถุฉะนั้นจิตที่จําแนกแยกแยวะวัตถุนั้นเป็นความเข้าใจนะเช่นเอาข้าวเป็นประธานก็เอาน้ําที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มดอกไม้เป็นต้นเหล่านี้เป็นบริวารอย่างนี้สมมุติเราจะถวายครบทั้งสิบอย่าง หรือจะเอาที่อยู่เป็นประธานหรือเอาเครื่องนุ่งห่มเป็นประทานเอาดอกไม้เป็นประธานเอายานพาหนะเป็นประธานเอาเครื่องรูปไร้ของหอมเอาที่นอนเอาเครื่องให้แสงสว่างเป็นต้นเนี่ยเป็นประธานนอกนั้นก็ประดับเป็นบริวารก็แล้วแต่อย่างนี้เขาเรียกว่าให้สิ่งของพร้อมด้วยบริวารแล้วเดี๋ยวจะไปดูอนี้สงนะว่าการให้สิ่งของพร้อมด้วยบริวารจิตที่ตรึกไค่ควรด้วยการเป็นบริวารอย่างนี้แล้วจะนามาซึ่งอะไร แม้ในยะพระวินัยกันนยะเดียวกันนะให้ที่อยู่อาศัยก็มีอาหารแล้วก็มียาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเป็นบริวารก็ว่าไปตามลําดับเรื่ออาหารในยะพระวิธรรมให้รูปรูปปะทานนางสัทธาทานังคันทะทานนางระสะ ท, ทานดดนางโพธิพัฒานางธรรมาดานะหกอย่างไหมให้รูปเป็นทานให้เสียงเป็นทานให้กลิ่นให้รสให้โพธิพัให้ธรรมอารมณ์เป็นทานนี่น้ําแก้วนี้นี่นะ อย่างนี้ถ้าว่าตามในย่าของพระวินัยนี่เป็นอาหารไหมก็กลุ่มพวกวิตามินกลุ่มพวกน้ำเนี่ยนะทำให้ร่างกายสดชื่นในด้านของในด้านของพัสตุ์ก็คือให้น้ําไงปาณังให้น้ําในด้านของพระพิธรรมอย่างนี้ให้สีเป็นทานได้ไหมน้ํานี่เป็นสีนะมีสีไหม ให้เสียงเป็นทานได้ไหมทำยังไงดีให้เสียงเป็นทานก็คือเนี่ยพระชันน้ำาดื่ดนาใช่ไหมทำให้มีเสียงกล่าวว่าทำได้ไหมชัดเจนขึ้นไงให้เสียงมีกลิ่นมีรสมีผดผะและก็มีธรรมอารมณ์มีตัววิตามินไหมเนี่ยนะวิตามินหล่อเลี้ยงร่างกายมีไหมมีเนาะสรุปแล้วว่าวิตามินคือธรรมอารมณ์นะ เป็นต้นในโอชาทั้งหลายเราเนี้ยนี้ถ้าให้น้ําเป็นทานเนี่ยถ้ามีน้ําอย่างเดียวเราจะเอาอะไรเป็นประทานดีเอาสีเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาผลเอาพายแล้วทำอารมณ์นี่นเราก็ตั้งตั้งให้เป็นวิธีคิดเนี่ยนะนี่เขาเรียกการจำแนกแ ก, แ ก, แกงวัตถุทีนี้หลายคนเนี่ยนะถ้าคิดจะให้จะทำบุญจะให้ทานเนี่ยจักไปให้ความสําคัญที่วัตถุสิ่งของอย่างเดียวอย่างเดียวนะ แต่ไม่ให้ความสําคัญคือจิตที่คิดจะสละเพื่อจะกําจัดโลภะโทสะเป็นต้นเหล่านี้หรือกําจัดความตณีที่มีอยู่ในตนหรือกําจัดโทสะเป็นต้นเหล่านี้ในการให้ทานทนะีนี้นถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นชัดเลยว่าเจตนาคือจิตที่คิดจะให้เนี่ยมีความสําคัญมากกว่าตัววัตถุมีความสําคัญมากกว่านะอะขอยกตัวอย่าง ในสมัยที่พระผู้มีพระภาคเจ้าดูอกิติดาบทประกอบดีกว่านะถ้าดูงนี้จะชัดเจนเลยดูในอกิติจริยานี่นะก็คือในอกิติดาบทที่ท่านท่านกล่าวไว้ในชั้นคําสอนก็คือว่าในสมัยที่พระผู้ธมีภาคเจ้าเป็นอกิติมานพเป็นลูกชายของขลังบดีเนี่ยต่อมาพ่อและแม่บุญญาตายายของท่านก็เสียชีวิต ก็เสียชีวิตแล้วท่านก็คิดบอกว่าพ่อแม่เนี่ยจากไปแล้วจากไปแล้วตายไปแล้วเนี่ยโดยสรุปประเด็นเนี่ยนะถามว่าเราจะมีทรัพย์เหล่านั้นไว้ทําไมหนอเนี่ยท่านเริ่มคิดคิดอย่างนั้นแล้วก็ตัดสินใจเลยบอกว่าเอ๊ะบุคคลเหล่านี้ตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์ติดตัวไปได้เลยในภพต่อไปแต่เราจะไม่ทำอะไรอย่างปู่ย่าตา ย, ยายพ่อแม่แล้วเพราะซั์ทั้งหลายมากมายเหลือเกินอยู่ในซับของท่านเยอะมาก ที่รับเยอะเป็นผลมาจากอะไรเป็นผลมาจากทา น, นกุศลและผลจากกานกุศลท่านก็ได้ทรับมาเมื่อได้ทรับมาแล้วท่านจะคิดสละต่อไปเพราะท่านการให้ของท่านนั้นเป็นการให้แบบอนุเคราะห์สละขาดมาอย่างยาวไกลท่านเห็นทรับเหล่านั้นท่านจึงบอกว่าจะเอาทรับนั้นตั้งความดีทําความดีทิ้งท่านเลยประการต่อมาเมื่อท่านคิดอย่างนี้เบ็ดเสร็จท่านตัดสินใจบริจาคทานอยู่7วัน ทำการบริจาคนี้เจ็ดวันลองคิดดูนี่นะว่าแต่ทรัพนั้นไม่ลดลงเลยท่านฟังนทรัพย์ของท่านไม่ลดลงเลยอย่างของเราถ้าไปเปิดประตูบ้านถึงเจ็ดวันไหมถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงเลยแต่บางคนบอกว่าถึงนะบอกทำไมยอมก็สะละวันละห้าบาทเลยเจ็ดวันเองก็สรุปก็คือว่า เนี่ยท่านแจกอยู่แจกจริงๆเนี่ยนะเจวันไม่หมดรั์ไม่รดอกิติมานอบก็คิดว่าถ้าเราตายไปเสียก่อนเรายังให้ทานไม่หมดเราก็ไม่สามารถบาเพ็ญเนคขมะได้เอาแล้ะแต่เนี่ยอันนี้เนคขมะชาสยะของท่านเริ่มเด่นในใจขึ้นแล้วความไม่ติดข้องในสูงมากแล้วจึงตีค้องร้องเปล่าให้ชนทั้งหลายบอกจงมารัไ์ไปเถิด บอกท่านทั้งหลายเราเปิดประตูไว้สี่ประตูแล้วเชิญท่านทั้งหลายมาเอาตามสบายใจนะั้นเราจะไม่โมวแจกทรัพย์อยู่อย่างนี้แล้วกลัวตายก่อนแล้วจะไม่ได้ออกบวชพอคิดอย่างนี้ยอมผู้ชายสะเทือนใจไหมถ้าสะเทือนใจไปบวชไปกามาไหม <c oughs> เนี่ยถ้าเดีย๋ยนี้มาไม่ได้สร้างบุญบริวารไว้เนี่ยต่อไปออกมาจะต้องให้ของพร้อมได้บริวารไปที่ไหนเอามาจะชวนคนแล้วบวชฟุ้บหมดเลยเนี่ยอยากอย่างน้น ไปที่ไหนเดี๋ยนี้มาเจอใครอมาก็ชวนบวชเลยเจอหน้าก็เอ้นเนี่ยหน้าตาน่าจะบวชนะอะไรเงี้ยบงคนชวนสิบลายยี่สิบลายชวนไปเรื่อยๆไม่ค่อยได้เลยก็าเขาจะมีข้ออ้างโอ้โหเนี่ยตอนนี้ผมกําลังสร้างฐานะอยู่อาพรมไปแล้วภรรยาจะอยู่กับใครลูกจะอยู่กับใครเขาคิดอย่างงี้ เขาอยู่ได้ไมเป็นไรเราเราก็บอกอยู่ได้ไม่จริงๆอยู่ได้ไหมจริงถ้าเราไปจริงได้นะนะถ้าผู้ยอมผู้ชาลมหายใจขาดแล้วยัอยู่ได้ไหมแอบดีใจก็ได้ตา <laughs> จริงจรงอยู่ได้นะี่แหละแต่มาไม่กล้าพูดอยู่คำกลัวอยจะคิดนะบอกอยู่ทําไมให้เขาหลอกใช้ <laughs> ไม่ไม่ได้พูดคํำนี้นะคิดในใจนะไม่ได้พูดออกมา หมดใจอยู่เลยคนให้กิเลสหลอกใช้อยู่ทําไมออกมาเธอเออกบวชในครั้งนั้นนะให้สังเกตดูนะการออกบวชในครั้งนั้นมีผู้ที่รักและศรัทธาติดตามบวชมากมายเนี่ยผลของการให้พร้อมได้บริวารก็อย่างเดี๋ยวต่อไปจะไปขยายมุมนี้ด้วยว่าการให้ของพร้อมได้บริวารเนี่ยนะจกมีบริษัทบริวารตามเยอะ ฉะนั้นถ้าคนกะจะสร้างบารมีที่ไม่ไปคนเดียวเขาให้ของพร้อมด้วยบริวาร น, นะให้ของพร้อมด้วยบริวารก็แยกแย ก, แยกวัตถุให้ชัดเจนในการสละในการให้มีคนออกบวชมากมายนั้นเป็นเหตุที่ให้ทานครั้งยิ่งใหญ่นั้นด้วยคันอิติฤศีในออกบวชมีบริวารติดตามมากเมื่อมีบริวารติดตามมากก็ทําให้เจริญสมณธรรมได้ไม่ดีนะ ในที่สุดจริงๆท่านก็โอโ้เกิดลาคาญและวใช่ไหมว่าไม่สามารถจเจริญสมณธรรมได้เพราะการอยู่กับหมู่คณะเนี่ยตนเองอยู่เป็นคารวะาก็อยู่กับหมู่คณะเมื่อบวชก็ยังไม่ติดอยู่กับหมู่กับคณะอีกไม่ได้รับความผาสุกจากการจเจริญสมณธรรมแล้วไปๆมาๆท่านก็ห น, นีความวุ่นวายไปอยู่ที่อหิทวีปคือป่าใหญ่แห่งหนึ่งที่ไม่สามารถจะหาอะไรโมลิภกได้เข้าไปในปา่าเลยพอเข้าไปในปา่า อนนท่านก็มีพวกใบหมักเมาเนี่ยก็เก็บใบหมักเม่าประทังชีวิตที่จริงท่านเก็บเก็บลูกกินก่อนถึงหน้าที่ออกลูกแล้วก็ท่านก็กินลูกหมักเมาบริโภคพอลูกหมดก็กินใบก็กินใบแต่การกินใบเนี่ยท่านป่ารบกินวันละห้ใบนกินแค่ห้าใบไม่ได้ก็ถ้าปารบถึงการในขณะที่นั้นน่เมื่อท่าน ท่านก็ปารคอยู่ในในการให้อยู่ในใจตลอดเวลานะท่านปลารคท่านจะสลัถ้าใครมาขอนี่เนะท่านจะคิดตลอดท่านมองหาไม่ได้ไงท่านจะต้องให้ก่อนบริโภคนั่นแหละจิตของท่านอย่างเงี้ยท่านก็รอรออยู่ในใจนะว่าถ้าไม่มีใครมาขอท่านเนี่ยเดี๋ยวจะเลยเวลาท่านก็กินอย่างเงี้ยท่านจะทําท่านอยู่นี่นะจิตก็คิดตลอดเวลานี่ลองคิดดูนะว่าสลักเนี่ยใบหมากเม่าเราคิดว่ามีค่าเยอะไหมเยอะหรือไม่เยอะ นั้นถ้าดูตัววัตถุแล้วมีราคาค่างวดน้อยมากแต่ถ้าดูมหาทานาดูทานของท่านที่ยิ่งใหญ่ลองดูนะว่าท่านสละที่เป็นทานที่ยิ่งใหญ่และการสละนั้นท่านปราถนาสัมมาสัมพทธิยาณด้วยเนอะเป็นปัจจัยใการได้มาถึงสัมมาสัมพธิยาก็ปลารบการให้อยู่ในใจตลอดเวลาจนเท้าส ก, กัดเนี่ยปลอมตัวมาเป็นพรามใช่ไหมเป็นยาจกเป็นผู้ขอ ลงมาทดสอบการให้ทานของอังกิติฤษีโดยการขอสิ่งที่หาได้ยากคือขออาหารฤษีก็ใบไม้ที่เตรียมจะกินมายกให้เป็นทานหมดเลยท่านก็ยกให้ใบหมากเมานั้นท่านนำมานึ่งนะไม่มีน้ำมันไม่มีรสเค็มเป็นแต่เพียงใบไม้ธรรมดา ไม่มีรสเปรียร้ยวรสเค็มเรียงต่างาา ก, ก, าก็ถ้าใบหมักมากก็รสสาก飒ถ้าใครเคยกินเนี่ยนะไอ้ใบตัวเนี้ยรสมันสัดสาดมั้แค่นั้นแหละสาก飒มันะ้คันให้แล้วเนี่ยนะที่ตนให้ไอ้คันให้ใบไม้ที่ตนใช้นํามาเป็นอาหารแล้วก็ดีใจดีใจนะปลื้มใจเนี่ยนะสรุปก็คือก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมสายให้แล้วก็ปลื้มใจอ่ะท่านปลื้มใจว่า ท่านได้ให้ทานแกพราหมณ์นะตั้งแต่มาอยู่ป่านี้ยังไม่เคยเจอคนที่จะรับทานของเราได้เลยวันนี้เป็นลากของเราแล้วเนาะที่เราได้ให้ทานในใจก็คิดว่าพรุ่งนี้เราจะมีโอกาสได้ให้อีกหรือไม่เนาะเนี่ยจนตัวเองไม่คิดจะแสวงหาใบไม้อื่นมาบริโภคเลยคิดอยู่อย่างนี้นะว่าพอวันลุ่งขึ้นอีกไม้อีกแล้วมาขอถ้าเป็นเราจะตั้งใจยังไงอ่ะบอกว่า วันแรกก็ตาลายแล้ววันนี้ยังมาอีกอย่างนี้ลองคิดดูนะการให้วัตถุทานของท่านเนี่ยมันกระทบอะไรกระทบจิตใจของท่านเลยเนอะใจต้องเข็งแรงด้วยแล้วถามว่าร่างกายของท่านถ้ากระเพาะพังปอดพังไตพังตับพังต่างๆอย่างนี้ท่านกล้าสละวิวาไหมกล้าเห็นไหมเนี่ย นี่ไงคือทานอกุศลอันนี้บ่งบอกถึงเจตนาวันที่สองวันที่สามเมื่ อ, อกิติเข้าไปหาใบหมกักเมามานึ่งแล้วเท้าสกะก็ามาขออีกลือศีก็ให้ไปเช่นเดินโดยไม่หวั่นไหวไม่ติดข้องแล้วก็ไปหามาเช่นเคยเมื่อให้เบสเสร็จท่านก็ปลื้มใจบอกว่าทําวันละคืนให้ล่วงไปได้ปีติได้ความสุขร่างกายของท่านก็ไม่สูบเซียวลงเลยตัวเนี้ยนะ ทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่าและท่านก็ตั้งใจบอกว่าถ้าเราจะพึงได้ผู้ที่ควรแก่ทักษิณาทานแม้เดือนหนึ่งแม้สองเดือนเราก็จะให้ทานอนุดมโดยไม่หวั่นไหวโดยไม่ติดข้องเลยเมื่อเราได้ให้ทานแก่พรามยาจกนั้นเราไม่ได้ปร า, ารถนาลาบยศสารเสริญใดๆเลย แต่สิ่งที่เราปรารถนาในใจอย่างแนบแน่นนั้นคือสัพพัญยุตยานคือการได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นถ้าเรามองมองอย่างนี้บอกว่าที่ท่านใช้คำว่าเราได้ดีแล้วเนาะเราเห็นยาจกมานานเราไม่ได้เห็นยาจกเนะี่ยวันนี้เราจะทำความปรารถนาของเราให้ถึงที่สุดแล้วจะให้ทานก็ถือเอาภาชนะที่หุง แล้วก็แล้วก็นึกถึงทานวนมีใส่ลงในพักษาภาชนะของพรามนั้นจนหมดท้าสการับพักษานั้นไปได้หน่อยหนึ่งแล้วก็อันตรทานไปแม้พระโพธิสัตว์ได้ให้พิษสาแก่พรามนั้นแล้วก็ไม่นึกที่จะสแสวงหาอีกยังการเวลาอ้น้อ์ไปด้วยปีติและสุขสมณัตในวันที่สองก็เป็นไปในลักษณะอย่างนี้เราจะได้อย่างไรหนอท้าสกา ก, ก็เสด็จมาเหมือนเดิมนะพระมหาพระโพธิสัตว์ ให้พิจารายัางการนั้นให้น้อมล่วงไปด้วยอาการอย่างนั้นก็คือยังปลาโมดปิติให้เกิดขึ้นแม้วันที่3ท่านก็คิดว่าหน่าเปลื้มใจเนาเป็นลาบของเราแล้วเนาะเนี่ยเราประสบบุญเป็นอันมากหากเราได้ทักขินีนยบุคคลเราจะให้ทานอย่างนี้ตลอดเดือนหนึ่งบ้าง2เดือนบ้างแม้ใน3มวันดาบทก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยทานนั้นเราไม่ได้ปรารถนาราบสการละสมบัติเสียงสรรเสริญเยนยอเลย เราไม่ปรารถนาจักรพัฒสมบัติไม่ปรารถนาสักกะสมบัติไม่ปรารถนาพรหมสมบัติไม่ปรารถนาสาวกบ ร, รมียานไม่ปรารถนาปัจเจกโพธิยานที่แท้ทานนั้ของเรานี่ทานบุษศลที่มีการสละใบหมากเม่าครั้งนี้เป็นปัจจัยจงเป็นปัจจัยแห่งสัพพัญยุตยานด้วยเถิดเนี่ย ไ, ไหมตั้งตั้งอัธยาศัายมัน ท่านก็บอกว่าเราคั้นได้ให้ใบหมากเมา่แก่อินตราพรมอย่างนี้แล้วจึงฟ้่มภาชนะละการแสวงหาใบหมากเมา่ใหม่เข้าไปยังบสสารรณศาลาแม้วันที่สองแม้วันที่สใจของเราไม่หวั่นไหวไม่อะไรในชีวิตได้ให้ทั้งหมดสิ้นเช่นวันก่อนเหมือนกันในสรีระของเราไม่มีความหม่นหมองเพราะการอดอาหารนั้นเป็นปัจจัยเรายังวันนั้นๆให้น้อมลงไปด้วยปีติด้วยความสุขสมานัด ความยินดีก่อนให้ก็ดีใจขณะให้ก็เลื่อมใสนะให้แล้วก็ปลื้มใจถ้าเราได้ทักขินายาบุคคลผู้บเสฐแม้เดือนหนึ่งสองเดือนเราจะไม่หวั่นไหวเราจะไม่ท้อใจพึงให้ทานอนุดมเมื่อให้ทานแกอินทรพราหมณ์นั้นเราจะได้ปรารถนายศลาภก็หามิได้เราปรารถนาสัพพัญญุตยานจึงได้ประพฤติรมเหล่านั้น ท่า น, นบอกว่าเราปรารถนาสัพัญยุตยานนะเราจึงให้ถ้าเรามองอย่างนี้ถามว่าทําไมทานในกุศลของอกิติดาบวจึงยิ่งใหญ่เจตนาในการที่เป็นกุศลเนี่ยกุศลแจิตบุญที่เกิดขึ้นจากเจตนาที่คิดจะให้ไม่ใช่ตัวทรัพย์สินแล้วอันนี้ไม่ใช่ตัวทรัพย์สินแล้วท่า น, นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยทั้งที่วัตถุคือใบหมากเมาไม่มีราคาเลยแต่ ถ้าเรามองอีกอย่างหนึ่งเราจะเห็นว่านั้นคือชีวิตนะนั้นคือชีวิตของท่านนะที่ท่านให้ถ้าเรามองอย่างนี้เราจะเห็นว่านั้นคืออวัยวะนั้นคือการสละความยิ่งใหญ่เลยใช่ไหมยอมว่าถ้าหากกระเพาะจะพังไปไสจะขาดไปก็จะไม่เสียดายเลยแม้ครั้งเรบอกว่าให้สังเกตดูนะว่าแม้จะให้อย่างนี้ตลอดสัปดาห์ตลอดเดือนตลอดสองเดือนสมเดือนเนี่ยเราก็จะให้ ถ้ามีผู้มาขอก็จะให้อยู่อย่างนี้แล้วก็จะตั้งสัจจะว่าจะเก็บวัลคะ้าใบามานึ่งนี่แหละแล้วก็จะสละให้สละให้อยู่นี้เนี่ยทวัดถุทานถ้าเรามองนี้เราจะเริ่มเห็นชัดเจนว่าการปรุงแต่งจิตการประดับจิตในการที่คิดจะให้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญอย่างมากสําคัญไม่สําคัญฉะนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วต่อไปเวลาที่จะให้อะไรแล้วต้องประดับตกแต่งจิตให้ดีไหม ต้องประดับตกแต่งจิตให้ดีที่จะเป็นไปกับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเราเนี่นะฉะนั้นใบไม้ที่จะเก็บมาไว้บริโภคอยากจะสละอาหารของตัวเองให้กับยาจกสละแล้วก็ปลื้มใจชื่นใจที่ได้ให้โดยไม่คิดจะไปเก็บใบนั้นมาใหม่สิ่งที่ทําให้กิติด้บทเรือกกิติแล้เกิดความปลื้มใจไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุรานนะคือใบบอกว่าแต่อยู่ที่เจตนากือจิตที่คิดจะสละ อยู่ที่เจตนาคือจิตที่คิดเจตสละเพราะมีความเข้าใจในเหตุและผลและการเนทานบอกว่าจะนําไปสู่ความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่ตนเองปรารถนาฉะนั้นจิตที่คิดเจตสละเนี่ยเราจะมองเห็นชัดเลยว่าประการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วฉะนั้นการอ่านชาดกการอ่านพระสูตรต่างๆเหล่านี้ถ้าสรุปประเด็นเอามาใช้ไม่ได้เนีย่ยถือว่าผิดหวังไหมผิดหวัง เราอยากจะผิดหวังหรืออยากจะสมหวังถ้าอยากจะสมหวังก็พยายามศึกษาคําสอนแล้วเอามาใช้ให้ได้ใช่ไหมถ้าเรามองเดี๋ยวจะมองไม่ออกก็เหมือนที่เขาบอกว่าแท้จริงใบหมากเมาคืออัพยากรารธรรมแต่อย่าลืมนั้นสำคัญกับชีวิตของท่านมากเพราะท่านจะต้องประทางชีวิตด้วยใบห ม, มากเมาท่านจะต้องประทางชีวิตอย่างนั้นแต่ท่านจะคิดบอกว่าวันนี้ขอให้มีผู้มาขอขอให้มีผู้มาขอเราจะให้เราจะให้เหท้าสะกะลองใจเลย ต้องใจเลยเป็นอินทรพรามมาขอเลยนื้อท่านไม่ท่านไม่ได้ร้องกับใครท่านสละจริงๆอะ่ะก็สละให้เลยและสละให้พร้อมทั้งพาชนะเลยให้เบเสร็จก็คว่าเข้าใจนะให้เสร็จก็ควา่าพาชนะนี่เขาเรียกว่าให้แบบคว่ำไหมเนี่ยให้แบบหม้อคว่ําคือให้หมดจริงๆนะถ้ามีอีกอ ก, ก็จะให้อีกแต่มีแค่เนี้ยก็ให้ ที่นี้ในการให้ทานเนี่ยนะทั้งวัตถุทานทั้งเจตนาทานนี่มาขับเน้นเรื่องเจตนาทานที่เป็นปุพพะเจตนาเจต น, นาที่เกิดขึ้นก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้ให้ทานก่อนที่ให้ทานก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะให้หรือตั้งแต่การสแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นทายรรมสรุปก็คือว่าในขณะที่ท่านอากิติฤรีอ่ะท่านเดินไปสแสวงหาเก็บใบหมากเมาถามว่า ปุภาเจตนางท่านแข็งแรงไหมเพราะท่านไปสแสวงหาก้าเดินไปในกรณีการไปเก็บใบหมกักเม่าไปสอยใบหมากเม่ามาเนี่ยเมื่อได้มาแต่ละใบแต่ละใบท่านก็บอกจะให้ท่านจะให้เนี่ยเนี่ยมาไปเสร็จแม้กําลังเอาไป น, นึ่งเอาไปนึ่งเนี่ยนะตั้งไปก่อไปกําลังนึ่งเพื่อจะให้มันสุก ข, ขึ้นมาท่านก็คิดบอกว่าถ้ามียาจกมีผู้มาขอเราจะให้ เราจะให้ก่อนจึงบริโภคไงแบบเบสเซตันก็มาวางเข้าไว้แล้วก็ตั้งในใจบอกว่าวันนี้ขอมีผู้มาขอมาเทิดนี่นะถ้าไม่มีจริงๆท่านจึงบริโภคทีหลังอา้าวเราก็ทําอย่างนั้นได้ไหมเขียนหน้าบ้านเขียนได้ไหมท่านอย่าเขียนกลับตัวหนังสือนะเขียนหน้าบ้านติดเข้าไว้แล้วก็เปิดประตูไว้ก็รอ ถ้าไม่มีใครมาจริงๆก็ค่อยบริโภคทำแบบอกิีติฤษีได้ไหมได้ไรมโย่ใครรับภาษาจะลองไปทําดูนุนบพราเจตนามุนจ่าเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะที่กำลังให้ทานเวลาให้ก็เกิดความจริงใจและดีใจเนี่ยนุให้ก็เลื่อมใสอพรราเจตนาคือเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ทานเสร็จแล้วก็ได้ปีติเอืบออิ่มใจว่า การให้นั้นเมื่อให้แล้วก็มีได้กิจแหนงแคลงใจในสิ่งที่ได้สละไปแล้วและให้ถึงกับผู้รับเป็นต้นเจตนาทั้งสาการเนี่ยนะปุพหะเจตนาทานเป็นต้นถ้าได้โอกาสจะสามารถส่งผลนในปฏิชนธิการเกิดเป็นมนุษย์เรียวดาเป็นต้นเนี่ยนะในเจตนาทั้งสอย่างเนี่ยเมื่อว่าโดยการเกิดง่ายเกิดยากปกพาาุพหะเจตนามุนจ่าเจตนาภราเจตนาไหนเกิดง่ายเกิดยากอันไหนง่ายไหนยาก อะไรง่ายอะไรยากบุบแต่ละคนเหมือนกันไหมโดยส่วนใหญ่นะเมื่อว่าโดยการเกิดง่ายมุนจากเจตนาเกิดได้ง่ายในขณะเป็นให้เกิดได้ง่ายเพราะในขณะที่เป็นให้ปุ๊บก็คิดถึงตรงนั้นเลยก็ได้สละเลยอย่างนะี้นะเจตนาในขณะให้อปรรยเจตนาเกิดได้ยากให้แล้วโดยมากลืมไม่ได้เคยเอามาคิดเลย บางคราวในการให้ทานนั้นมุนจากเจตนาเกิดแต่ปุพหะเจตนาและอ布拉เจตนาไม่เกิดบางคราวปุพหะเจตนามุนจากเจตนาเกิดแต่อ布รอ布拉เจตนาไม่เกิดบางคราวก็ไม่มีเลยทั้งสามการบางคนเนี่ยนะหนักมากเลยที่ไม่มีทั้งสามการนี่ยประเภทที่เอาเอาไปเถอะทาไปเถอะอะไรเงี้ยทำ ไ, ไม่มีเลยทีนี้สิ่งที่สิ่งที่เราควร เราควรจะให้ควรจะให้เกิดก็คือทำยังไงจะให้เกิดเออทำยังไงจะให้เกิดยากไม่ยากในเรื่อง อ, อากิตติฤศีนะไว้ลาเอาไปเอาไ ป, เอาไปพิจารณานะเนอะเอาท่านกิตติฤศีที่ท่านเริ่มตั้งแต่ไปหาใบหมักเมาใครทำอาหาร มนะใครเสแวงหาสิ่งของที่จะให้ทานก็เริ่มก็เริ่มฝึกปุกพพะเจตนาใช่ไหมเพราะเราจะให้ใช่ไหมวิธีฝึกเบื้องต้นก็คือในกรณีที่บุคคลที่เป็นแม่บ้านก็ได้เปรียบหน่อยแต่ห้ามทำไปบ่นไปนะมีสำคัญมากเลยทำไปบ่นไปคนอื่นไม่ทำหลับกันสบายมีแต่เรา <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม พอทำาบสเสร็จแล้วไม่ยอมลูกกันอีกต้องไปปลกอีกโอ้โหแต่ยนี้ยิ่งเครียดใหญ่เลยเนี่ยเนี่ยเป็นงี้เปล่าทร่ข้อแ้จริงไอ้ปรมตจธรรมที่เรียนไปลืมหมดลืมหมดเลยเดี๋ยวนี้ธรรมะอะไรต่างเรียนไปลืมหมดก็คือว่าในขณะที่ไปแสวงหาอาหารไปที่ตลาดไปซื้อของทุกอย่างหรือไปอะต่างนี่ต้องเริ่มคิดให้เปว่าเราจะให้อ่ะ เราจะให้สามีให้พ่อให้แม่ให้อะไรหนึง่งให้บุตรภรรยายแต่ก็เรียกลำดับไม่ถูกเนะืตามลำดับศีลส่วนหนึ่งบูชาพระเจ้าเสียส่วนหนึ่งก็คือบูบูบูชาพระรันตนทรัยเบ็ดเส็จแล้วก็มีพระผ่านหน้าบ้านมาพุทธวัดส่วนหนึ่งก็จัดในการให้พ่อแม่อะไรก็ไล่ไปตามลำดับถ้าทำอย่างนี้ทุกวันนี่เนีแต่ทุกครั้งที่ก็คือจิตที่พี่จะให้ก็ฝึกปุบพระเจตนาไปเดี๋ยวรายละเอียดค่อยว่ากันตรงนี้ ฉะนั้นในการทําให้ทานเนี่ยพร้อมด้วยเจตนาทั้ง3เนี่ยจะเห็นรู้ได้จากความต่างกันนะต่างกันก็คือว่าในกรณีนี้เราจะมองเห็นในฐานะในว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดาเราเห็นความต่างกันได้ว่ามนุษย์หรือเทวดาที่มีความต่างกันนั้นเพราะเจตนาต่างกันและเพราะเจตนาในการที่จะให้ทั้งหลายขณะให้และหลังจากให้ต่างกัน การที่เรามาได้ความสุขหรือไม่สุขทั้งหลายในปัจจุบันนภเนี่ยนั่นคือความต่างกันในฐานะบ้างทซั์บ้างบริวารบ้าง น, นมาจากทานศีลภาวนาที่ถึงพร้อมด้วยเจตนาสามการนั้นน่ยขาดตกบกพร่องบ้างถึงพร้อมบ้างอันนั้นคือความต่างกันและไม่ต่างกันนั่นเองถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นทั้งในรายละเอียดคืนนี้จะเรามองดูในสมัยที่พระผู้ภาคเจ้าเนะี่ย เคยมาเล่าทีหนึ่งแล้วที่นะี้ตอนเกิดเป็นในตอนที่เป็นพระเจ้าศรีวีเนี่ยอยู่ในนครอริ tha ที่ท่านมีท่านจะสละอะไนะสละดวงตาท่านจะสละดวงตาตอนนั้นนะ่ะท่านให้สละทานภายนอกจนจนรู้สึกว่าจนรู้สึกว่าเริ่มเฉยๆแล้วเนี่ยนะประการต่อมาท่านอยากจะสละยิ่งใหญ่กว่านั้นท่านก็มองมาภายในแล้ว พาหิระทานเนี่ยท่านถึงบอกว่าทรัพย์สมบัติที่มีนั้นก็เพียงเพื่ออุปการะแกบุคคลอื่นเท่านั้นแต่ต่อมาเมื่อท่านสละวัตถุภายนอกเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยต่อมาท่านต้องการจะทำปราโมทปีติให้ยิ่งๆขึ้นไปท่านก็เริ่มมาเห็นและมาดูเลยวัตถุทานภายในแล้วท่านก็เริ่มมาดูว่าเราจะสละดวงตาเป็นทานและตั้งใจนะท่านตั้งใจ และคิดว่าทานภายนอกของเราไม่สามารถจะทําจิตให้ยินดีเหมือนทานภายในได้ถ้ามีใครมาข อ, อาวัยวะภายในเรามีขอตาขอหูขอจมูกขอลิ้นขอกายอะไรต่างๆส่วนไหนของร่างกายที่พอจะให้ได้ถ้าใครมาขออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายของเราแล้วเราจะให้ท่านก็คิดของท่านอยู่อย่างนี้นะคนมีบุญเนี่ยคิดกันจนบรรลังของเท้าสกะร้อนเนี่นะ อ้าเราลองคิดทีร้อนไหมไม่รู้เรื่องเลยท้าวสก่าไม่รู้เรื่องเลยความคิดของเราเนี่ยยังไม่ยิ่งใหญ่นะถ้ายิ่งใหญ่จริงๆเนี่ยคิดแล้วท้าวสก่าอยู่ไม่ได้บอกโอ บ, บ่นถึงเรามากเลยเนี่ยมาแล้วท้าวสกะมาแล้วเหมือนเหมือนนางนันทามาดาเวลาท่านสาธสายทายารปรานาวป ร, ป, รปราณวสูปราปรา ปราณวัคปรณวัสูตรเี่นะที่ท่านสวดท่านสาสาลาเพรว่าเป็นทํา น, นองสรพันยาตอนตอนตอนใกล้รุ่งเออตอนตอนตอนกลางคืนในขณะที่ท่านสาธายาอยู่เทาา้าจะตุ้มอุ้ไม่ใ่เท้าจะตุ้มเท้าวอสวันนี่แหละเท้าจะตุ้มมาแล้วพร้อมด้วยบริวารมท่านท่านกองมาตรวจว่าราชการท่านเนี่ยนะเพราเป็นพระเจ้าเป็นดินเนี่ยพมาไปเสร็จท่านได้ยินพอได้ยินไปเสร็จท่านก็มายืนมายืนอยู่ที่ช่องอยู่ที่หน้าต่างก็ประนมมือฟัง พอ ฟ, ฟังฟังนางสาธยายทํานองสรพันธ์เยะฟังก็ชื่นใจพอสาธยายเสร็จท่านก็สาทุพี่หญิงสาทุพี่หญิงเออเดาให้สังเกตได้ไหมเท้าวเวสุวรรณนี่อายุมากกว่านางนันทมาดาเนี่ยอายุท่านนี่ตั้งเก้าล้านกว่าปีอะแต่เรียกนางนันทามดาวาเรียกพี่หญิงพีง่ในยะนั้นท่านบอกว่านางนันทมาดาเป็นผ้านาคา แต่ท่านเป็นพระโสดาบันนี่เรียกกันโดยฐานะเป็นคุณโดยคุณธรรมแล้วท่านก็บอกบอกว่านางลืมตาขึ้นก็เลยถามว่าท่านผู้มีหน้าขาวท่านมีน้ำว่าอะไร <c oughs> ท้าวเวสสุวรรณก็บอกอ๋อเรามีน้ำว่าท้าวเวสสุวรรณนางก็อดีใจโอ้ท้าวเวสสุวรรณพระเจ้าแผ่นดินสเสด็จมาเลยนี่ใช่ไหมพระเจ้าแผ่นดินแห่งแห่งจารุ ม, มหาราชเสด็จมานี่ท่านก็เลยบอกว่า งั้นขอต้อนรับด้วยพระสูตรที่ที่ทขา้าพเจ้าสาธยายเนี่ยปรายนาสูตรเนี่ยขอขอข อ, ขอต้อนรับด้วยธรรมบรนนาการนี้ท่านก็สาธุอีกครั้งขอสาธุพี่หญิงเหมือนต้อนรับด้วยธรรมบรรณาการที่เลิศมากชื่นใจจริงเลยนะเหมือนโยมมาเนี่ยมาก็ธรรมะต้อนรับเราหนี่งนี่คือต้อนรับโดยธรรมดีไหมเนี่ยใช้ธรรมะต้อนรับเพราะพระนี่ต้อนรับอย่างอื่นไม่ได้ต้องใช้ธรรมะต้อนรับแต่เป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดไหมเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุด สักวันหนึ่งนะถ้าเรามีคุณธรรมสูงเปี่ยมหนึ่งเมื่อเมื่อไรได้เป็นพายญาเมื่อไรพุทธเจ้าจะต้อนรับพวกเราด้วยหนะึ่งให้สังเกตในมพายยะโสช้าพร้อมในบริวาร500รอยพระบรมศ า, ศาสดาเข้าอนเนญชาสมาบัติชั้นสูงนะต้อนรับเนะี่ยโอ้โหน่าชื่นใจไหมเข้าสมาบัติอนเนนชาสมาบัติชั้นสูงต้อนรับแล้วท่านก็เข้าจมาสมาบัติอนเนนชาสมาบัติชั้นสูงก็ก็เฝ้าพุทธเจ้ากันเนี่ยนะ น่นะทำท่านเฝ้ากันอยู่ท่านต้อนรับกันอยู่ด้วยธรรมะปฏิสันฐานน่ยตั้งแต่ปฐมยามมะชิมยามจนถึงปัจฉิมะยามคือทั้งคืนเลยนี่เขาเรียกว่าต้อนรับกันด้วยธรรมะบรรณาการทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้จะเห็นนะต่อมาก็ในยะตรงนี้ก็คือว่าหลังจากนั้นนางในท้าวเวสวรรณก็บอกนางนันทานมาดาบอกว่าวันพรุ่งนี้พระสารีบุตรพร้อมด้วยพระโมคคัลลานะ เป็นประมุกจะมีภิกษุสงฆ์มาด้วยมีภิกษุสงฆ์มีพระโมคคลลานภาษาถิบุตรเป็นประมุกเนี่ยก็ขอให้ให้พี่หญิงเนี่ยจงอังคาดภิกษุที่มีผ้าษาริบุตรพระโมคคลานะเป็นปเป็นเป็นประธานด้วยเธอก็และเมื่อได้ทำบุญแล้วเนี่ยมีการอังคาดมีการให้ทานเป็นต้นแล้วอย่าลืมอุทิศกุศลให้กับชั้นด้วยแล้วนางนันธรรมดาก็รับ ราปากก็เลยวันรุ่งขึ้นภาษาลิบุตรพระโมคคัลลานะก็มานางก็เลยเล่าให้ฟังบอกโ อ, โอร้รูก่อนแล้วพระเจ้าเป็นดินมาบอกพระเจ้าเป็นดินในชั้นจ่าตัวมาราดมาบอกอย่างนี้เนทีนี้เรามองอย่างนี้ก็จะเห็นนะว่าที่ทจริงจะบอกว่าพระเจ้าเป็นดินได้ไหมเนะท้าเวสุวรรรักษาประตูใช่ไหมให้กับเท้าส ก, ก่าใช่ไหม ทีนี้ถ้ามองไอ้ในเนี่ยถ้ามองย้อนกลับมาในเรื่องนี้เท้าสกกะก็แปลงนะแปลงเป็นคนดาวบอดมาขอดวงตาพระเจ้าสิวิราชให้สังเกตดูนะว่าที่จริงท่านถามว่าใครแนะนำให้มาใช่ไหท่านเลือกไหมที่จริงท่านเลือกผู้รับทานนะท่านเลือกผู้รับทานนะ ในตาของขทีนี้โดยกล่าวว่าในตาของข้าพระองค์เนี่ยบอดทีแล้วขอพระองค์จงพระราชทานตาพระราชทานพระเนตรเนี่ยข้างหนึ่งให้แก่ข้าพระองค์เถิดพระองค์ก็จักยังทรงอัตภาพให้เป็นไปด้วยตาอีกข้างหนึ่งว่าไหมพระเจ้าศิวิราชก็กล่าวว่าเมื่อท่านขอดวงตาข้างหนึ่งเราจะให้สองข้างเห็นไหมขอหนึ่งข้างแต่ เ, เราจะแถมให้อีกข้าง เอ็มมาวันนี้ถ้ามีใครมาขอตาเรานะกล้าให้หมจริงจริงะกล้าไหมกล้าไม่กล้าสั่นหัวก็าาวกเป็นแถวเลยไม่มีใครกล้าบำเพ็ญทานนะอุปปา ร, ปรมีเลยนาะขอข้างเดียวได้ไหมท่านมีดวงตาจะได้เพ่งดูนะเพ่งดูนะปรารถนาคนเถิดท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่าน พอเสนามาได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็ทูลห้ามกันเลยนะนี่ห้ามพระราชาแต่ก็ไม่คลอยตามนะท่านก็ไม่คล้อยตามและท่านก็เข้าไปในนะที่นั่งของท่านนั่นแหละนั่นบอกว่าผู้ใดแกลกล่าวว่าจะให้แล้วกลับไม่ให้ผู้นั้นเนะ่ยย่อมสวมบ่วงที่ตกลงไปบนแผ่นดินไว้ที่คอแล้วใช่ไหมสัจจะวาจาที่กล่าวว่า ว่าได้กล่าวว่าจะให้แล้วเนี่ยผู้นั้นเน่กลับไม่ให้เนี่ยแปลว่าสวมบวงนะที่ตกลงไปบนบนแผ่นดินไว้ที่คอแล้วกับแปลว่าเรียบร้อยไปแล้วจะลงแล้วผู้ใดกล่าวว่าจะให้แล้วกลับไม่ให้ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าผู้ลามกลามกเนี่เป็นเยื่อ อ, อ้อมโซลธรรมนะจะตกเข้าถึงสถานที่ลงอาญาแห่งพญายมนั้นเมื่อเขาขอสิ่งใดควรให้สิ่งนั้น เมื่อเขาไม่ขอสิ่งใดไม่ควรให้สิ่งนั้นเราจะให้สิ่งที่พราหมณ์ขอกับเราเห็นไหมพอพูดเบีดเสร็จท่านก็ให้หมอสิวกระบอกหมอจงมาพอหมอมาเบีดเสร็จก็ท่านก็ให้หมอเนี่ยที่จริงบอกว่าบอกหมอว่าเราจะไม่ใช้มีดผ่าตัดนะแต่หมอเออไม่ใช่ หมอเขาบอกหมอคนเช่นเราเนี่ยนะหมอท่านเป็นคนชํานาญเนี่ยท่านบอกว่าเราจะใช้ยาหมอยชํานาญมากในการที่การเอาตาออกแล้วก็ต่อตาเดียวเด้อในการท่านก็ใช้ยาหยอดเข้าไปในตาในเบ้าตาพอหยอดเข้าไปครั้งแรกนี่นะตากริ้งได้นี่ปวดไหมปวดมากเลือด ก, ก็ไหลไหลออกมานองเต็มเนี่ยนะ แล้วตาก็กริ่งแต่กริ่งมันยังไม่ออกจากเบ้าอ่ะกริ่งแต่ไม่เพราะมันกัดกัดเนื้อไม่พอเนาะกัดเนื้อตาไม่พอก็บอกหมอรีบหยอดไวๆแต่ไม่ใช่ท่านนั้นนะเราจะให้ทานหมอก็หยอดครั้งที่สองพอหยอดครั้งที่สองตัวยาที่หยอดเข้าไปก็กัดเบ้าตาหลุดเลยทีเนี้ยนะตาหลุดออกมาแล้วแต่หลุดแล้วเนี่ย มันยังไม่ย้อยออกมาที่จะตัดได้ครั้งที่สองปวดกว่าครั้งแรกทรมานกว่าครั้งแรกก็บอกหมอจงเร่งมือเร็วๆเธอก็หมอก็ประกอบยายที่แรงขึ้นแล้วก็หยอดเข้าไปในในเบ้าตากัดกัดกัดไอ้เส้นสายเส้นยงที่ยงไว้ลูกตานเนี่ยทั้งทั้งขั้วเนี่ยเบ็เส็จก็ หลุดห้อยมาเลยพอห้อยเบียดสก็ใช้กรรไกรใช้มีดแตตัดท่านก็บอกว่าเราอยากจะดูทานของเราเราอยากจะดูทานของเราก็เอาใส่ที่มือเนะี่ยปบพาเจตนามุนจาเจตนาของท่านนะมุนปบพราเจตนาก่อนให้ก็ดีใจมุนจาเจตนาในขณะให้ก็เลื่อมใสพอจับได้เบีดเสร็จท่านปลื้มใจใท่าน ท่านปลื้มใจท่านดีใจท่านเลื่อมใสท่านคิดถึงจะได้มาซึ่งสัมมาสัมปุริยานเนะแล้วก็จับมือของพรามเนี่ยพราม์นั่นแหละแล้วก็ส่งให้แล้วก็ส่งให้แ ล, ใหแล้วก็ทําข้างที่สองเนยยะอย่างนั้นแหละตาข้างสองก็เนยยะอย่างนั้นลองคิดดูทีเจตนาคือจิตที่คิดจะสละที่คิดจะให้กว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมปุริยาณยากไหม่ ยากไม่ยากนั่นแหละคือพระุ้ดธเจ้าฉะนั้นสัมมาสัมโพธิญาณเนี่ยจึงมีค่ามากเลยกว่าจะได้มาซึ่งสัพพัญยุตยานกว่าจะมากว่าจะได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณกว่าจะได้มาซึ่งพระไตรปิฎกกว่าจะได้มาซึ่งพระธรรมคําสั่งสอนกว่าจะได้มาซึ่งการรู้จักเจตนาทานเจตสิกทานเป็นต้นเหล่านี้กว่าจะได้มาซึ่งบุญกุศลทั้งหลายนี้ในการควัก พ, พระธ์เทศแล้วก็เนี่ยกรณีอย่างเงี้ยจากนั้นก็ ถ้าเรามองอย่างนี้เราก็จะเห็นน ะ, นะบอกว่าเมื่อเราจะให้ก็ดีนะจะให้ก็ดีเนี่ยท่ามานณสา่าได้แก่ให้หมอควักตาเพื่อจะให้ในตาเนี่ยเป็นปุกพระเจตนานะกำลังให้ก็ดีเทนตัสสาก็บอกว่าวางในตาที่ควักแล้วไว้บนมือสักการามนั้นเน่ยเป็นมุญจ่ายเจตนาให้แล้วเนี่ยนะให้แล้วก็ดีใจเนี่ยนะปลื้มใจนะ ตอนนั้นก็คือได้แก่ดเนตานั้นเป็นการให้ทานไปแล้วนั้นเป็นอัปรัเจตนาทีนี้ถ้าพระเจ้าสีวิราชจะเห็นว่าพระองค์นั้นมีความตั้งใจยินดีก่อนการกระทําในขณะทำนะก่อนให้ก็ดีใจในขณะให้ก็เลื่อมใสเมื่อให้แล้วก็ปลื้มใจท่า น, นบุคคลที่สมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยเจตนาเหล่าเนี้ถ้าเรามองอย่างนี้นะบุพพะเจตนาเนี่ยในการให้ผลเนี่ยถ้านับในชั้นของคําสอนเนี่ยท่านจะใช้คําว่านั้นได้เกิดจนถึง ในชั้นปฐมวัยเนี่ยนั้นของบุญในด้านของปุพพเจตนาทานนะถ้ามัดฉิมวัยก็ตั้งแต่ในช่วงของอาจจะนับเป็นยี่ไปอะไรก็แล้วนั้นก็แล้วแต่อายุไขนะจะนับไปยังไงก็แล้วแต่ช่วงมัดฉิมวัยเนี่ยอันนั้นก็คือมูลจากเจตนาทานมัดฉิมวัยปัดฉิมวัยก็ตั้งแต่50เป็นต้นไปจนถึง75็ดสิบหาปัจจุบันเนี่ยอันนั้นผลที่ได้รับจากอภรระเจตนาทานเราจะมองเห็นในชั้นของคําสอนที่ท่านพยายามแยกแยะไว้ในคําสอนเนี่ย ว่าปุปพพะเจตนามุญจ่าเจตนาพระเจตนาในชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยตั้งแต่เกิดจนถึงระหว่างตั้งแต่เกิดมาจนถึงอายุยี่สห้าหรือเกือบ30เนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางท่านก็ตกละคำลําบาก ม, มากเลยนะขัดสนซับมากเริ่มจะมาพอมีพอกินอยูย่ช่วงมาชิมวยัยแต่พอปัดชิมมาไวก็เครี้ยงหมดเลยอะไรก็เยอะนเนี่ยนะอันนั้นเราก็จะสังเกตว่าความไม่สมบูรณ์ในทางด้านของปุปพพะเจตนามุญจ่าเจตน า, ล า, นาและ อภ a เจตนานั้นเราก็พยายามชี้มุมตรงนั้นให้เห็นในวัตถุสิ่งของที่ควรให้เป็นของที่บริรสุทธิ์3ส่วนทำรร ม, มิการก็คือของนั้นต้องเป็นของที่ชอบที่ควรไม่ใช่ของต้องห้ามทั้งหลายธรรมรัตนทางก็คือของนั้นต้องหามาได้โดยชอบธทำโดยประกอบด้วยการงานที่สุดจริตการไม่โกงเป็นตัวเหล่านี้ก็คือยิ่งการได้มาด้วยกา ย, ยาสุดจริตวิญาตสุดจริตมโนสุดจริตได้แล้วยิ่งชัดเจนทยะหะ ระหังก็คือของนั้นเป็นของที่ควรให้เช่นถวายของแก่พระสงฆ์เป็นต้นเะเนี่ยนะเป็นของที่ควรแก่พระของบรรพชิตก็ให้ของที่ควรแกบรรพชิตคณะหาดก็ให้ของที่ควรต่อคอเรือระดับทานมีสามระดับคือธาสถานสหายฐานและสามีทานถ้าทาสถานให้ของที่ตนตนไม่ใช้แล้วตนไม่กินแล้วให้ของในระดับที่ ตนเองไม่เอาแล้วให้เหมือนคล้ายๆจะทิ้งก็ดีมีคนมาก็เลยให้ซะเลยเป็นบ่อยไหมเช่นของนี้เราก็ไม่เอาแล้วมันไม่ดีแล้วเนี่ยถ้าอยา่างากันนั้นเลยให้ก็ให้ไปเให้ให้ไปเอามาคัดนะของในตู้เย็นคัดคัดคัดออกมาเพราะอันี้เก่าใกล้จะหมดอายุแล้วเรียเอาไปให้ทานให้ไปให้ทานเป็นอะไรแบบนี้อันนี้นี่ก็เรียกธาสุทาน คำว่าธสถานคือธาตุคือตัณหาเราใจของเรามีตัณหามาณทิฏฐิเราเป็นธาตุของเขาให้ให้เพราะเห็นว่าเราไม่ใช้แล้วเราไม่บริโภคแล้วเราไม่กินแล้วของไม่ดีแล้วเลยแล้วก็ให้ของแบบนี้นี่เขาเรียกธาตุสถานใครที่เป็นแบบนี้ก็แก้ไขเสียต้องแก้ไขสหายทานให้ของที่เสมอกตนใช้ตนบริโภค แล้วก็สามิทานให้ของที่ประณีบของที่ประณีบของที่ดีกว่าที่ตนเองใช้ในวัตถุทานที่ประณีแตกต่างกันน่ยแต่การให้ทานในหลักพุทธศาสนาท่านเอาเจตนาสําคัญนะเอาเจตนาสําคัญที่บอกว่าอัตติจิตเตประสันนำหิอภปกานามาทักขินาจะบอกแปลว่าเมื่อจิตผ่องใสของถวายจะน้อมค่าแล้วก็ของของที่ให้ก็จะมีผลมีมีค่ามากเป็นต้นตรงนี้ที่เรา พยายามจะชี้ประเด็นต่างๆนี้เดี๋ยวในรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวดูนิดนดึงผลของทานนี่นะเจตนาทั้งสามการที่ตั้งไว้ดีแล้วแต่การให้ทานที่มันมีผลไม่เสมอกันนี่นะมาไงผลของทานที่ให้เนี่ยที่ได้ให้ไม่เท่ากันเพราะมีตัวแปรที่สองก็คือว่าหนึ่งทายกทายการแล้วก็ปฏิคาหกทายกคือผู้ให้นะ คือทายกทายกาที่ผู้ให้กับปฏิฆา6คือผู้รับทั้งๆ ท, ที่สมมุติว่าเจตนาเรานิบริบูรณ์และ3การและอย่างทานของเวลามภรามที่ท่านทำเนี่ยนะอันนั้นท่านติดขัดตรงปฏิฆา6คือผู้รับนี้เรามามองดูนะว่าผลของทานที่ที่ไม่ปฏิฆา6นีปฏิบุคคิริคทานเนี่ยทานที่ให้เฉพาะเจาะจงตัวบุคคลถ้าสังฆ ท, ทานทานที่ให้แกสองก็คือส่วนรวมนี่ยนะเช่นภิกษุ ในฐานะเป็นตัวแทนของสงศ์โดยอุทิศ ต, ต่อสงศ์ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งอันนี้นะในทักษินาวิพังกสูดนิสรุปประเด็นออกมานี่นะพระสูตรที่ว่าโดยการแจกทักษินาทานนะครั้งที่พระพผู้มีพรเจ้านี่นะระเด็ดไปที่กรุงกาาับเลพัฒเพื่อโปรดพระชนกพระประยุร ญ, ญาตเนะี่ยได้ประทับอยู่ที่นิโคโรทารามของเจ้าสกากยะสร้างถวายพระนางมาหาประชาบดีโครดมีก็มีศรัทธา ก็ทอผ้าเนื้อดีด้วยมือของพระออนางเองเพื่อนำไปถวา ย, ยาพระเจ้าพระองค์ก็ไม่รับแต่ทรงแนะนําให้ถวายภิกษุสงฆ์แทนเนี่ยให้ถวายแก่สงฆ์แทนเพราะจะได้ให้นิได้ดีสงฆ์คือต้องการให้ความสําคัญแกสงฆ์และได้นิสงฆ์มากกวา่าในครั้งนั้นพระศ า, าสดาก็แสดงฐานประเภทของทาน14ประเภทและสังฆทานไว้7ประเภทพระเจ้าทรงแยกแยะประเภทผู้ปฏิฆา6กผู้รับทานไว้14ประเภทเนี่ย หคือพระพุทธเจ้า 2. พระปฏิเจกพระพุทธเจ้า 3. ามพระทหารดศาวก4ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งอาณาตผล5้าก็ผ้านาคามี6ท่านผู้ปฏิบัติที่ทําให้แจ้งซึ่งอาณาคามีผล7ก็พระสกาทาคามี8ก็ท่านผู้ปฏิบัติที่ทําให้แจ้งซึ่งสกาทาคาหมีผล9พระโสดาบานันสิบก็ท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผล ก็อย่างเราเป็นนักเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลไหมใช่ไม่ใช่โอ้ใช่กันหนึงน่าชื่อใจอันนี้ก็ไม่ธรรมดาเนี่เนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นโอ้โหถ้าใครให้ทานแกผู้ปฏิบัติที่จะทําให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลเนี่ยกำลังปฏิบัตินี่นะมีจิตมุ่งหมายเพื่อต้องการจากบรรลุเพื่อจะทําให้แจ้งกับโสดาปฏิผลและในศาสนาด้วยนี่นะอันที่สองท่านใช้คําว่าหาประมาณนี้ได้ โอ้โหใครให้ทานเก็บพวกเราเนี่ก็น่าชื่นใจเลยเนี่ยใช่ไหมน่าชื่นใจจริงๆท่านผู้ทำให้แจ้งซึ่งโสดาปริผลนะและนักบวชนอกาศาสนาที่ไม่มีราคะก้มรุกมคือผู้เดชฌานสมาบัติปุถุชนผู้มีศีลปุถุชนผู้ทุศีลแล้วก็สัตว์เดรัจฉานท่านจัดไว้14ประเภทต่อจากนั้นพระองค์ก็แสดงอนิสงส์ ของการให้ทานที่ให้แก่สัตย์เดชฉานปฏิสารซึ่งเป็นปฏิฆา6ชั้นต่ําที่สุดเนี่ยนะท่านใช้คำว่าได้อณนนิสงร้อยเท่าเพราะนั้นให้ทานแก่อิ่มหนึ่งนี่นะกษัตริย์รานเนี่ยนะฉะนั้นมีอาหารติดไม้ติดมือไปก็หยอดให้กษัตริย์เดฉานนะได้อณนนิสงร้อยเท่าร้อยเท่าก็เอาห้าไปคูณอายุวันนะสุขะ ภละแล้วก็ปฏิพานคือปัญญาแม้คูณห้าเข้าไปได้อายุวันนาสุขาภละและกับปฏิพานเนี่ยอย่างละร้อยชาติให้ทานแกคนทู้ศีลด้านนิสงเท่าไหร่หนึ่งพันเท่าก็คูณห้าไปนะให้ทานแกคนมีศีลอันนี้ภายนอกเลยนะเนี่ยได้อ น, นิสง์แสนเท่า ให้ทานแก่นักบวชนอกศาสนาที่ไม่มีการมาราคะได้อันนี้สองเท่าไหร่นี่เขาได้ฌานสมาบัติเนี่ยได้แสนโกดเท่าแสนโกดนี่คิดยังไงเนี่ยคูณห้าด้วยนะอย่าลืมคูณห้าคูณอายุวันนะสุขพะพะละอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับศาสนาของวชิรนเจ้าเลยนะถ้าให้ทานแก่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปฏิผลเริ่มตั้งแต่สารณคมเป็นต้นไปได้อันนี้สองเป็น หาประมาณไม่ได้ท่านใช้คำว่าหาประมาณไม่ได้